ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับปรุนในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อแม่บทประเด็นธรรมมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านฟังได้ฟังกันโดยเราจะเริ่มทำสมาธิกันสักครู่หนึ่ง ันนี้เราจะใช้เวลากันสักประมาณ 10-15 นาทีในการแผ่เมตตาไม่ใช่แค่เมตตายังเอากรุณาด้วยมุติตาด้วยอุเบกขาด้วยคือเจริญอัปปมัญญาสีเจริญโรมิหารนั่นเองดูในข้อแรกให้ทุมฟังทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งด้วยกานมาสังเกตดูลมหายใจ รูปใจขอเรานั้นให้เป็นอย่างธรรมชาติธรรมดาไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่ต้องบังคับให้สั้นให้ยาวหรือให้แรงให้ค่อยแต่ให้เป็นธรรมชาติกว่ามันแค่ค่อยสังเกตดูสังเกตดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องอยากให้เขาเป็นยังไงหรือไม่อยากให้เขาเป็นยังไงแต่สังเกตดูนะที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ในที่นี้คือในโพรงจมูกโพรงจมูกตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นได้เอาตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่เราจะสังเกตดูลมหายใจของเราดูอยู่ยังเป็นธรรมชาติพอเราดูไปสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งแน่นอนว่าเราจะได้ยินเสียงอื่นๆต่างๆด้วยมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านมาด้วยแต่ลืมตาก็เห็นภาพต่างๆนั่นนี่อันนี้ธรรมดา พอเห็นได้ยินคิดนึกไม่ลืมลมโดยความที่เราไม่ลืมลมนั่นแหละที่ใช่ของเราเนี่มันจะค่อยระ ง, งับลงไม่ได้ตามสิ่งอื่นต่างๆไปเพราะความที่ไม่หลงลืมลมหายใจความไม่ลืมไม่หลงนั้นคือสติความระลึกได้นั้นคือสติสตินั้นจะทำาจของเราให้ระ ง, งับลงระ ง, งับลงจนเป็นสมาธิ เป็นอารมันเดียวสมาธิหรือความเป็นอารมณ์เดียวของจิตนี้คือความที่จิตนั้นมีกํำลังเช่นถ้าเราเอาเบนขยายมาถือนิ่งๆรวมแสงให้มันถึงจุดที่โฟกัสจุดเดียวในบรรยากาศที่เหมาะสมปรับจุดโฟกัสให้ถูกและอยู่นิ่งๆเนี่ยพลังงานมันมากถึง ร, ระเว่าเผากระต่ายขึ้นได้เช่นอยู่กันตอนนี้เราปรับจิตของเรา ให้มันมาอยู่ที่จุดเดียวด้วยสติที่ตั้งเอาไว้จิต ท, ที่รวมลงนั้นก็จะเป็นจิต ท, ที่มีกำลังแต่จะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเสาส่งสัญญาณวิทยุที่จะมีกำลังสูงส่งไปได้ไกลเหมือนกันเราจะเจริญพรหมิหารสอัปปัญญาสีถ้าจิตเราอ่อนกำลังมันก็ไปไม่ได้ไกลเราจึงต้องฝึกจิตกร็ร้อยมีสมาธิ มีกำลังขึ้นมีกําลังแล้วเอาเราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาจิต ท, ที่เป็นไปด้วยกับเมตตานั้นหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขขึ้นมาท่านบริวไวเหมือนกับมารดารักบุตรรักธิดาลูกที่เกิดขึ้นจากคันของตนด้วยความรักความเมตตานี้แป่ไป ให้สสัตว์ทั้งหลายในทิตะวันออกทิตะวันออกเชียงใต้ทิศใต้ทิตะวันตกเชียงใต้ทิตะวันตกทิตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิตะวันออกเชียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างทุกทุกทางเสมอหน้ากัน ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ไม่ใช่แค่เมตตายัางกรุณาด้วยมูทิตาด้วยอุเบกขาด้วยแผ่ไปเป็นใบไม้เหมือนกับคนเป่าสังที่มีกําลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินในทั้งสี่ทิศไม่ยากชะใดให้แพ้จิตที่เป็นผด้วยกับ เมตตากรุณามตาาุติตาอุเบกขาแพร่ไปยังสรรพะสัตตังหลายให้สรรพะสัตตังหลายนั้นจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเพราะแพร่จิตที่เป็นไปด้วยกับอุเบกขามุติตากรุณาและเมตตาแล้วสามีกตําฝัง สามีเบืสุกรุณีคือแพ่โดยรวมทั้งหมดไปในทุกทิศทางทั้งหมดให้สรรพสัตว์ทั้งหมดคราวนี้เรามาเฉพาะเจาะจงลงดูเราเอาเฉพาะเจาะจงโดยอุเบกขาก่อนเอาอุเบกขากินมาอุเบกขานั้นคือความวางเฉยวางเฉยในอารมณ์วางเฉยในความรู้สึกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่มากระทบ ไม่ว่าจะมาจากทางทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างทั่วทุกทางไม่ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะสุขหรือทุก์จากสัตว์สองเท้าหรือสัตว์สี่เท้าจากสัตว์ที่มีเท้ามากหรือไม่มีเท้าะมากระทบจากสัตว์ที่มองเห็น หรือมองไม่เห็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีการหยาบหรือมีการละเอียดไม่ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมาจากที่ไกลหรือที่ใกล้ไม่ว่าจะจากมิตรหรือศัตรูไม่ว่าจะมาจากข้างบนหรือข้างล่างเอาให้มีอุเบกขาตั้งอยู่จะมีความมางเฉยแพรไปในทุกทิศทางในทุกสรรสัตว์ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะรักเราเกลียดเราชอบเราหรื อ, อยังไงก็ตามมีความวางเฉยได้แปรความอุเบกขาแปรความวางเฉยไปยังสรรพสัตว์ตั้งหลายต่อมาอีกเราตั้งจิตเอาไว้เฉพา ะ, พา ะ, พาะจาจงมาในเรื่องของมุทิตามุทิตานั้นคือความยินดีในความสุขหรือพนจากทุกข์ที่ใครสักคนใดคนหนึ่งมี ไม่อิจาริสยามีจิตที่ยินดีด้วยไม่ว่าคนนั้นก็จะพ้นจากทุกข์หรือมีความสุขเป็นบาสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าจะเป็นสัตว์ที่มีเท้ามากหรือไม่มีเท้าอยู่ในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็ก ไม่ว่าจะเห็นได้ด้วยตาหรือมองไม่เห็นจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบหรือกายละเอียดจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้จะเป็นสัตว์ที่เรารักหรือเราเกลียดหรือเขาจะเกลียดเราหรือเขาจะรักเราก็ตามถ้าเขามีความพ้นทุกข์ประสบความสุขอย่างใดอย่างหนึง่งยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยมีความปรารถนาดีในข้อนี้ แให้หมดไม่มีกักไม่เว้นไว้ไในทุกทิศทางให้เหมือนกับว่ามีมากจนมันไม่หมดให้ไม่อั้นให้ทุกคนให้ทุกประเภทในทุกทิศทางในทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายแพ้กระแสแห่งความมุริตาหรือความปรารถนาดีนี้ไปยินดีไปไม่จาริษยา มีความยินดีมีความอนุโมทนาด้วยจากนั้นมาตั้งจิตไว้ด้วยกับกุศลนาทุบฟังกุณานั้นคือความปรารถนาให้ถ้าเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็พ้นจากความทุกข์นั้นเสียจนเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเพชฌฆาตหรือนักฆ่าได้รับคาสั่งได้รับหมายมาแล้วว่าต้องไปฆ่าคนนี้ ต้องไปจั ก, การคนนี้แต่พอไปถึงแล้วจะลงมืออืมไม่ทาก็แล้วกั น, กนให้เขาพ้นจากความทุกนี้ซะนี่คือความกุณาที่มีในจิตใจของนักฆ่ามีตมฟังทุกคนมีหมดเราตั้งจุตนี้ไว้ด้วยกับกุณาเอาความกุณานี้มาตั้งไว้ในจใจของเราแพ้่ไปยังสัพพสัตต์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้า ไม่ว่าสัตว์นั้นจะเห็นได้หรือมองไม่เห็นไม่ว่าจะมีสองเท้าหรือสี่เท้าแผ่ไปยังสัรปสัตว์ในทิศเบื้องขวาไม่ว่าสิ่งนั้นจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามแผ่ไปยังสัรปสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีเท้ามากหรือไม่มีเท้ามีรูปหยาบหรือรูปละเอียก็ตาม แพร่กุณาให้หมดแพร่ให้กับสัตว์ในทิศเบื้องซ้ายความกุฎณาไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะรักหรือเราจะเกลียดหรือสัตว์นั้นเขาจะชอบเราไม่ชอบเราแล้วแพร่กระแสหความกรุณาให้ไปให้รสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องบนด้วยทิศเบื้องล่างด้วยทิศเฉียงทั้งหลายด้วย ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าเรามีคุณธรรมมากกว่าหรือมีคุณธรรมน้อยกว่าต่ำต้อยกว่าเราให้กระแสงความกรุณานั้นแฝงไปย่งสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีเวรยังไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทให้หมดไม่มีหมดไม่คิดว่าจะกักเาไว้ให้แบบไม่ต้องคิดเหลือเพราะว่ากรุณานั้น ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งมีแปรไียงสรรพสัตว์ตั้งหลายหลังจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้ัด้วยกับเมตตาแพ้กระแสแห่งเมตตาเมตตาคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์เหล่านั้นมีความสุขทึนเปรียบเทียบไว้เหมือนกับแม่ดูลูกต่อให้ลูกจะไม่ดียังไงก็ตาม เป็นชายหรือหญิงก็ตามอยู่ใกลขนาดไหนก็ตามถ้านึกถึงลูกแล้วก็อยากให้ลูกนั้นมีความสุขแพร์ก็ใช้แห่งความเมตตานี้ไปในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าสัตว์นั้นจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่ว่าจะมีสองเท้าหรือสี่เท้าแพ้ให้สัปสัตว์ในทิศเบื้องขวาไม่ว่าสัปสัตว์นั้นจะมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าจะอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ แให้สัพพสัตต์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าสัต์นนจะมองเห็นได้หรือมองไม่เห็นจะอยู่ในรูปกายที่หยาบหรือรูปกายที่ละเอียดกตามให้กระแสความเมตตานั้นแผ่ไปแผเพียงทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะรักชอบพอใจหรือเกลียดไม่พอใจหรือสัพพสัตตน์นจะเกลียดเราพอใจเรา ไม่พอใจเราอย่างไรก็ตามเราก็ให้กระแสงความเมตตานีแผ่ไปให้หมดให้จนคิดว่าไม่มีจะหมดไม่เหลือจะให้หมดแต่มันไม่หมดไงเพราะเมตานั้นยิ่งให้ยิ่งได้แผ่กระแสงความเมตตาไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยในทุกทิศทางด้วยเหมือนสาวกาศวิทยุนี่แหละเขาส่งคลื่นไปเนี่ย ทุกทิศทางให้สัรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทก็ให้สัรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความสุขมีความเกษมมีความเจริญเปนเรียบไวเหมือนกับคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินในทางสีทิศไม่ยากเชนใด เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับมเมตตาตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแพร่ไปยังสรสรพสัต์ทั้งหลายเช่นนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตต์ทั้งหลายต้องมีความสุข จรงมีความเกษมจรงมีความเจริญแล้วก็แผ่เมตตาคุรณามุดิตาและอุเบกขาให้ตัวเราเองด้วยคือขอให้ตัวข้าพเจ้านั้นปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธและรักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเดิด เราเจริญโรมิหารสีอัปปมัญญาสีอย่างนี้ตัมฟังจะได้อันนิสงคือจิตใจนั้นจะมีความนุ่มนวลนอนเหมาะสามารถเข้าสมาธิได้ง่ายจิตจะสงบตั้งมั่นด้วยรวดเร็วจะเป็นที่รักของมนุษย์และอาบ ม, มนุษย์เวลานอนหลับไปก็ไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็อยู่เป็นสุขยังมีอันนิสงให้เทพยดาทั้งหลายรักษา แล้วก็สิ่งที่จะทำให้เป็นอันตรายนั้นจะแคล้วค่าไปได้ผิวพัน์ก็จะมีความพุดผ่องแล้วก็จะมีผลเอ็นที่สงให้เป็นอย่างบรมโลกได้มีจิตใจที่สูงกึ้ได้นั่นเองเอาล้วท่านฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบมากันสักครู่หนึ่ง ก็ามาทำความเข้าใจในแม่บทหัวข้อประเด็นประเด็นแม่บทหัวข้อที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยยกขึ้นเป็นประเด็นที่ปรารบคำถามของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือปรารบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งสถานการณ์อย่างหนึ่ง บางทีท่านอยู่ๆก็ปราลบพูดขึ้นเองเลยก็มียกขึ้นทำไมยกขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นเส้นทางเป็นหนทางที่จะนำพาเราไปสู่นิพพานได้หลายเหตุการณ์ดมฝั่งแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์แต่ละประเด็นนั้นบางทีก็มีหลายข้อประเด็น หัวข้อนี้เราเรียกว่าเป็นแม่บทมาจากสัพที่เราเรียกว่ามาติกาที่หัวข้อต่างๆเ่านี้นแหละที่เขาพยายามที่จะจดจำบอกต่อเล่าบันทึกเอาไว้เพื่อที่ไม่ให้ขาดคนที่เป็นมูลรากหมายถึงที่จะสืบต่อจดจำเพราะว่ามันสามารถนาไปใช้นำไปปฏิบัติได้คือเจ้ารำพัง เราฟังพปะยามทำความเข้าใจเนี่ยทฟังการศึกษาการเรียนมันก็ได้ระดับหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องเอามาทาการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วยกตัวอย่างการใช้งานไดที่สำคัญเลยทุกฟังมันจะไม่ลืมเลยมันจะจำได้ดีมันจะได้เกิดประโยชน์ที่สุดนั้นก็คือเอาไปใช้งานนั่นเอง การนำไปใช้การนำไปบิดบัติจึงจะเป็นจุดที่ทำให้แม่บทหัวข้อเหล่านี้ไม่ขาดพูดที่จะสืบต่อว่ามีการทำการบิดบัติอยู่ในกายวาจาใจจึงในตู้บันพุทธตู้ฟังเราจึงมีทั้งสองส่วนเอาสักสิบห้านาทีให้ทำจิตให้มีความสงบเย็น นั่นคือการปฏิบัติอีกประมาณสัก45นาทีเอาเราก็มาทําความเข้าใจในหัวข้อแม่บทเหล่านี้ในขณะาษที่ทําความเข้าใจก็ปฏิบัติไปด้วยทําความเข้าใจด้วยกําลังจิตที่ปฏิบัติมาด้วยจะทําให้ทํามานั้นอยู่พุทธะแปดหมื่นสี่พันเังต่อให้8ปด0 0 0สหรือ8ปล้านสี่แสน ก็สามารถที่จะจดจำให้เป็นเข้าไปอยู่ในิตใจของเราได้แน่นอนบางคนนาจะคิดว่าโอ๊ยธรรมะมันเยอะมากเราฉันจะไปจำไว้จะปฏิบัติยังไงได้ได้ต้างว่างมันอยู่ที่จิตของเราอันเดียวนี่แหละตอนที่พระพุทธาจาเช่นบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงก็มาจากจิตอันเดียวนี่แหละเวลาจะนำไปใช้นำไปทำนาไปปฏิบัต เอาชายยุ่มมันเข้าทางหูไม่ใช่แค่หูยังจมูกลิ้นกายและใจตาด้วยหกทางนี้ไม่ออกนอกหกทางนี้แน่จะเข้าสู่จิตใจได้ก็ต้องผ่านทางสาขั้นคือศีลสมาธิปัญญาจะให้เกิดความเข้าใจตรงต่อที่กับจิตใจได้มันก็ต้องเป็นสมถาวิปัสนาจะลึกลงไปเลย ก็ต้องเป็นสติสัมปชัญญะคือปัญญาเวลาเราเข้าไปสู่ในจิตใจก็คือสู่จิตดวงเดียวนี่แหละอันเดียวสุดท้ายมันมารวมกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําความเข้าใจในหัวข้อธรรมทธรรมปางไม่ว่าจะโดยลึกลงไปว่ามันมีกี่ข้อรายละเอียดเป็นยังไงหรือโดยสูงขึ้นไปว่ามันอยู่ในหมวดหัวข้อไหนต่อไป หรือจะไปในทางขวางว่ามันจะมีที่เกี่ยวข้องเทียบเคียงกันว่ายังไงยังไงทั้งหมดน่มันเข้าสู่จิตใจของเรานั้หนึ่งในทุกวันพูดนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบด ท, ที่พระเจ้าจะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละเป็นหัวข้อธรรมนั้นมาพูดคุยกันเดี๋ยวนี้ก็นำหัวข้อที่ชื่อว่าประตู11 บ, บาน เป็นเรื่องราวที่ท่าน布拉นน์ได้เล่าให้กระบดีผู้หนึ่งชาวเมืองอัฐกะท่านุ้ี้ชื่อว่าทัศมะเนื้อหาก็มาในพระสูตรที่ชื่อว่าอัฐกะนาคราสูตรซึ่งเนื้อหาตรงนี้ก็จะเหมือนกันกันกบในทัศมะสูตรสองเรื่องราวที่พูดถึงประตูสิบบานข้ามาประตูสิบเดบานนี้ไม่ได้เป็นพุทธพจน ไม่ได้แม้เป็นคำของท่านพระอนุนด้วยซ้ำแต่เป็นคำที่ทัศสมก็รับดีท่านยกขึ้นตบประฟังอธิบายเปรียบเทียบถึงคนที่ไปหาขุมทรัพย์เออนะ่าฉันได้ลายแทงมาต้องการจะไปหาขุมทรัพย์แม้จะเจอทางเข้าแล้วขุดออกมาเนิ่วแน่นอนว่าร่ำรวยแน่มีลายแทงอยู่ไปหาอยู่เจอด้วย นี้เวลาเจอเนี่ยไม่ได้เจอทางเข้าแค่คุ้มซับคุ้มเดียวนะแต่ว่ามันต่อไปอีกแล้วก็ต่อไปอีกคุ้มแรกเจอแล้วมีลายแทงต่อไปเอา้าคุ้มที่สองนี่คือยู่ตรงนั้นเอา้าเจอคุ้มที่สองแล้วมีคุ้มที่สามต่อไปตรงนั้นอ้โหเจอทางเข้าของคุ้มซับตั้งสิบเ็ดคุ้มนู่นน่ะจึงเป็นที่มาของคำว า, าประตูสิบ็ดบาน ก็คือทางเข้าสู่ขุมทรัพย์สู่สิ่งที่มีค่าเนี่ยถึงสิจุดด้วยกันจุดที่มันจะเข้าได้ขุมทรัพย์นี่ก็เป็นขุมใหญ่ไม่ใช่แค่มีทางเข้าเดียวเรื่ราตรัวนี้ที่ท่านร拉นน์ได้เล่าอธิบายไว้ก็ประรบคำถามของขอรบรบดีผู้นิรานดรมุฟังที่ก็มาถามถึงว่าํารมะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีไหม มีไหมที่ว่าเมื่อบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่จากจิตที่มันยังไม่หลุดพ้นเนี่ยมันจะต้องหลุดพ้นจากอาสมาที่มันยังไม่สิ้นหมดไปมันต้องหมดไปสามารถที่จะบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโ ป, ปร่งปราศจากกิเลสเข้าสู่ธรรมะที่มันไม่มีอื่นยิ่งกว่ามีไหมมีไหม มาถามท่านพรานนท์เนี่ยก็เปที่จะถามถึงสิ่งที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นราษฎรสมาสมุทธาเนี่ยท่านมีบอกสอนเอาไว้ไหมท่านพรานนท์ท่าฟังเป็นเหมือนกับคุณคลังจะพูยังๆงก็เป็นฐานข้อมูลเป็นดัต้าเบสคลังของธรรมะว่าในบรรดาที่พระพุทธเจ้าสอนหัวข้อมวลธรรมเนนี้ มีไหมธรรมอันดอันหนึ่งที่จะพูดง่ายๆคือให้ถึงนิพพานได้ว่างันเถอะอ่ะให้จิตที่มันยังไม่หลุดพ้นให้หลุดพ้นอาสวะที่มันยังไม่สิ้นก็ให้สิ้นให้รู้ถึงนิพพานได้เปนานพระนนทนบอกว่ามีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้คือว่าเอ๊ะทำไมก็ดยาบดีคนนี้ที่เขาอยู่ที่เมืองอัตกะ เดินทางมาที่เมืองปาจลีบุตรแล้วก็ข้ามฝั่งแม่น้ำคงคามาที่เมืองเวสาลีหาท่านพระนนทถามเรื่องนี้นะเออทำไมไม่ไปหาพระพุทธเจ้าเองเลยตัวในพระสูตรนี้เขาก็ไม่ได้บอกถึงด้วยว่าพระพุทธเจ้านั้นประทับอยู่ที่ไหนซึ่งปกติแล้วในพระสูตรเรื่องราวเนี่ยต่อให้ เรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคือหมายถึงไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าตราัสเป็นท่านพระสารีบุตรคุยกับท่านพระโกธทิกะเข า, าก็ยงจะต้องบอกว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนแต่เรื่องนี้ไม่ปรากฏเห็นเลยทำไมข้าพเจ้านี่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าคงเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้านั้นป ร, รินิพานไปแล้วใหม่ๆไม่นาน แล้ว่นานปราณนลก็มักจะอยู่ที่เมืองเวสาลีแล้วกิจการงานในสมัยนั้นที่เมืองปาตลีบุตรนี่ก็มีมากโดยพระชาะอาชาสตรูเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเมืองปาตลีบุตรให้มาเป็นเมืองที่สำคัญในการที่จะบุกไปตีในแคว้นเวสาลีก็คงจะเป็นสถานการณ์เวลานั้นที่อาจจะมีการสั่งซื้อสินค้า ส่งข้าวของมาจากเมืองอัตกาชุนบทปลายแดนโดยมีนายทัสมานำมามาแล้วพระพุทธเจ้าไม่อยู่จะไปหาใครเอาก็ไปหาพระนรนแล้วกันถ้าจะถามคำถามลึกซึ้งถึงนิพานนี่ท่านตรัสไว้ไว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านพระนร น, น่าจะเป็นฐานข้อมูลให้เสาะหาประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้อันนี้ข้าพเจ้าสันนิษฐานเอานะ ในส่วนที่เป็นคําอธิบายอะไรต่างๆในประสูต น, นี้ก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ทู่้ฟังว่าแล้วอะไรอะไรที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งนั้นมีไหมท่านพระนุนต้นจึงแจกแจงบอกว่ามีมีนั่นก็คือปฐมฌานง่าเวลาที่เราสงัดจากกา ร, รสงัดตจากอกุศลธรรมทั้งหลายความคิดนึกอะไรที่ไม่ดีนั่นออกไป ลือแต่ความคิดนึกที่ดีๆงามๆแทนมีปีติมีสุขอยู่เนี่ยอันนี้คือประตมชานะตรงเนี้ยเป็นทางเป็นเหมือนกับประตูแต่คุณจะเปิดประตูได้หรือไม่มันอยู่ที่ตรงนี้ต่างหากว่าเห็นไหมรู้ชัดไหมว่าแม้ในประตมชานี่ก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีเหตุปัจจัยจะไม่เคยขึ้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นโดยอาศัยเงื่อนไขปัจจัยสิ่งนั้นย่อมไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้แหละคือสมถะและวิปัสสนาเรามาฟังตรงนี้กันสักนิดหนึ่งดูบยยังบทเปลี่ยนชนะที่ทั้งเป็นตรงจุดคำถามและเป็นทั้งตรงจุดคำตอบที่ท่านใดถามไว้ที่ท่านใดตอบเอาไว้ สมัครบดีถามอย่างนี้บอกว่าข้าแต่ท่านพระนนผู้เจริญธรรมะอันหนึ่งที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่จากจิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปและย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดปโปรง่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไ้ อันไม่มีทมอื่นยิ่งไปกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอระหันต์ตมาสมะสมุทัยพระองค์นั้นตรัสไว้มีอยู่แล้วหรืออันพระนั่นตอบว่าเพราะนั้นมีอยู่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้จะแงดจากกรรมจะ่งดจากอากุศลธรรมเรื่องหลายบรรลุไปรมชาญ มีวิตตวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้ปตมปชาตนี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้น สิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเจอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะยังมีความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะวิปัสสนานั้นก็จะถึงความสิ้นไป ยังสังโยนเรื่องรายรัฐเบื้องตามห้าอย่างเธอย่ำเป็นโอปาติกะคือพุดเกิดขึ้นจะประิณิพาน์าในพพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาระเบรีดนี่แหละคือธรรมะอันหนึ่งที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ จากจิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสอันเป็นเรื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมิญยิ่งไปกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตัตถาสมะส ม, สมุทธยเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้แล้ว สั้นแค่นี้ทงฟังเรามาวิเคราะห์ข้อความสั้นๆตรงนี้ที่สาคัญนั้นก็คือคาว่าสมถะวิปัสนานั่นเองส่วนที่เป็นสมถะนั้นก็คือสมาธิในที่นี้หมายถึงปฐมฌานส่วนที่เป็นวิปัสนาในที่นี้ก็หมายถึงเห็นความไม่เที่ยงในปฐมฌานนั้นว่าปฐมฌานนั้นอาศัยเหตุเกิดขึ้น เอาสิ่งใดเกิดแบบนี้มันก็ไม่เที่ยงการเห็นความไม่เที่ยงนั้นคือวิปัสสนาสองอย่างนี้ประกอบกันนี้แหละมันจะทำให้บรรลุถึงนิพพานได้แม่แต่ว่าถ้ายังยินดีในสมถะวิปัสสนาอยู่นะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องได้เป็นนาคามีนะเพราะว่ายังมีความยินดีในข้อนั้นอยู่ความยินดีในที่นี้ก็คือยังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละ ยังมีความเป็นตัวตนว่าเออฉันมีสมาธิมีวิปัสสนาทีนี้ท่าบอกว่าวางทั้งสองอย่างได้เข้าใจถึงความที่สิ่งนั้นเป็นอวิชชามีอวิชชาเป็นรากฐานอยู่ก็สามารถวางแม้สมาธิวิปัสสนาวางอาวิชชานั้นได้บรรลุนิพพานได้ด้วก็ความสั้นๆตรงนี้ตูมฟังบบว่าเขาทำดี ผู้ครองเรือนเดินทางมาจากทางไกลมาถามเรื่องเข้าสู่มรรคผลนิพพานโอ้ท่านพระนุนนี่แบบจัดหนักเลยอ่ะเอาสั้นๆตรงเนี้ยแต่ว่าเอาเต็มๆเลยอ่ะเหมือนตอกลงไปนี่เอาตรงจุดตรงประเด็นที่สุดแล้วถามนี่ก็ถามตรงจุดตรงประเด็นเรื่องนิพพานไม่ได้ถามว่าเอ้อจยังไงถึงจะค้าขายร่ํารวยไม่ได้ถามว่าโอ้จะมีไงถึงจะพ้นจากโรค ไม่เลยนะถามเข้าจุดเข้าประเด็นท่านก็ตอบให้เข้าจุดเข้าประเด็นอันนี้นะคือประตูบานแรกแรท่านอธิบายถึงอีกจำนวนฝัง่งว่าไม่ใช่แค่ประตูชาญนี้นะที่เป็นอย่างนี้นะยังชาญสองคือตุติยาชาญยังชานสคือตติยาชาญยังชาญสคือจตุตาชาญเหมือนกันเลยแบบนี้เหมือนกันหมด แล้วไม่ใช่แค่รูปฌานสีนะยังอประมัญญาสีด้วยคือเมตตาไงเมตตากรุณามุติตาแล้วก็อุเบกขาในลักษณะอย่างที่เราฝึกปฏิบัติกันมาเมื่อสกุ่นี้แหละโดยปเทเพียนชนะแบบนั้นนั้นไม่มีเวน้นไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทให้กับทุกสรรพสัตว์ในทุกทิศ ท, ทางไม่มีเว้นไว เอามาแทนใส่ในชานหนึ่งสานั้นได้เลยเรื่องของเมตตากรุณามุนิตาแล้วก็อุเบกขายังไม่ใช่แค่รูปฌานสี่ไม่ใช่แค่อัปปมัญญาสี่ยังมีอารูปฌานอีกสอย่างด้วยนะคืออากาสานัญญายยตตนะวิญญาณัญจายยตตนะอากินัญญายุตนะ นยังมีอีกสเพราะฉะนั้น4ี4่บวกสบวกสมันก็ได้11องไงสิอย่างเนี้ยเป็นหัวข้อที่เราเป็นช่องทางเป็นประตูที่ท่านพระนนท์บอกว่าเออพวกนี้มันไม่เที่ยงนะอาศัยตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงในธรรมนั้นคือทั้ง11อย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือสมถาวิปัสสนาแล้วนะอาศัยตรงเนี้ย จะบรรลุถึงนิพานได้ทสมาเครืบดีทำฟังได้ฟังเรื่องราวแค่นี้นะวุ้ยาบซึ้งใจมากบอกว่าตัวเองเนี่ยมาสแสวงหาคุมทรัพย์อยู่หนึ่งขุมคือสแสวงหาคุมทรัพย์เนี่แล้วก็จะมาค่อยเก็บเอาเก็บเอาว่าทางไหนจะเป็นทางไปได้โถคราวนี้มาเจอพร้อมกันถึง1 1คขุมในคราวเดียวคือเจอทางเข้า ปองคุมทรัพย์11คุมด้วยกันก็พูดง่ายๆว่าเจอประตูทั้ง1 1บานในการที่จะทำทางขุดคุมทรัพย์ขึ้นมาให้ได้ประโยชน์แก่ผู้ที่ทำความเพียรลงไปนั้นในเนื้อหาพระสุทรนี้ท่านฟังแต่สวัรรบดีนั้นก็ได้แสดงการบูชาเหมือนว่าเป็นข้าครูที่มักจะเป็นข้านิยม ในสมัยนั้นของพวกพราหมณ์ที่ว่าเรียนคาถาเรียนมน์อย่างไดอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมีค่าบูชาครูบาอาจารย์ซึ่งท่านปรานนี่ก็ไม่ได้เร่งเก็บคือหม่ยถึงว่าในธรรมะในนี้ในาศาสนานี้ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าครูบอาจารย์อยู่แล้วแต่ ว, ว่าเ็เป็นค่านิยมมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ น, นั้นก็จึงทาการบูชาทดานปรานนนด้วยกันสั่งวิหาร การถวายอาหารให้กับเราภิกษุสงฆ์เป็นจํานวนมากมายเลยทีเดียวพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ไม่ได้ยาวอะไรมากแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ซ้ําๆกันไปจนถึงสิบแปรอบส่วนที่สําคัญๆเนี่ยก็ได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วนั่นแหละมาอนให้ฟังสั้นๆแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าสงสัยที่ในช่วงของใต้ร่วมพฏิธบดินทนั้นเราควรจะทําการวิเคราะห์กันต่อไป ในหมวดหข้อนี้ทำไมไม่มีเนวะสัญญาณาสัญญายตนะแล้วก็ไม่มีสัญญาเวทายตะนิโรธเออทำไมก่ในเมื่อยกรูปะชาน4ยกอปมัญญาสี่แหม่รูปะชานอีกสข้อก็น่าจะจัดไปให้เต็มยังต่อไปอีกถึงสัญญาเวทายตะนิโรธก็น่าจะจัดไปด้วยเนี่ยนะ ก็สังเกตที่พระพเจ้าตั้งเอาไว้อันนี้มโนโอ เ, อเอาเองไหวอาจจะเป็นการที่ท่านพระนนคือท่านไม่ได้บรรลุเองหรือเปล่าในข้อนั้นคือถ้าพระพุทธเจ้าบริญนิพพานไปแล้วพระนนท์ก็ต้องบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วละ่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้บรรลุชานในข้อนั้นหรือเปล่าในข้อนวิว า, าสัญญาณนะสัญญาญตนะแล้กสัญญาเวทยิตานิโรธสองอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งแต่ว่าเงื่อนงำ ม, มันมีท่านนาจะบรรลุก็ได้ถ้าเพราะว่าเรามาดูในพระสูตรอื่นที่มาในอังกุตระนิการดูบ้า ง, งเป็นเรื่องราวที่พระพุทรชาปรเปรียบเทียบไว้กับนายขมังธนูอังกุตระนิการในหมวดที่9เปรียบไว้กับนายขมังธนูที่กําลังซ้อมเล็งซ้อมยิงอยู่กับรูปหุ่นคน ที่ทำจากฝางบ้างที่ทำจากดินบ้างซ้อมยิงซ้อมเล็งซ้อมเล็งซ้อมยิงยิงไปเล็งไปสมัยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นนายกำลังธนูที่ยิงได้เร็วยิงได้ไกลาสามารถทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ในเนื้อหาคุอตรรนิกายหมวดเก้านี้เป็นพุทธพจน์นะเป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับเหล่าภิกษุทั้งหลาย โดยได้กล่าวถึงเรื่องตำหนองคล้ายๆกันเนี่ยท่านผู้ฟังบ้าบุคคลเนี่ยถ้าอาศัยธรรมะเหล่านี้ซึงจะพูดไปในที่นี้ก็จะมีหมวดเก้าอย่างด้วยกันสามารถที่จะถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะได้หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเป็นนาการมีจุดมุ่งหมายของหมวดธรรมะอันนี้เหมือนกันเลยนะในอัตถกาณาค้าสูตรนั้นบัจฉิมานิกายก็พูดถึง11ข้อ เปรียบกับประตูสิบเอ็บานในอังคุตระนิกายหมวด9ที่ชื่อว่าชายยสูนี่เปรียบเทียบกับในกำมังธนูทั้งสองพระชนนี้ต่างก็มีจุดหมายเดียวกันคือไปสู่นิพพานเหมือนกันหรืออย่างน้อยๆก็ได้เป็นนากามนีทีนี้ในชายยสูตรอังคุตระนิกายเนี่ยท่านแจกแจงออกเป็น9้าอย่างเนี่ยก็คือยกเซต ในเรื่องของฌานสีโดยเอาเนวสัญญาณาสัญญายตนาแล้วก็สัญญาเวทายานิโรดมารวมกันเป็นสมาธิ9อย่างก็เรียกว่าอนุบุภาพวิหารสมาบัติทั้ง9ข้อมาเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยในการที่จะไปสู่นิพพานได้ประเด็นที่สำคัญมัคือตรงนี้ท่างฟังว่าในสองข้อสุดท้ายข้อ8และข้อ9 บทเพลงชนะนี่มันแตกต่างกันไปนิดหนึ่งเรามาเจาะลงไปดูในรายละเอียดกันเพราะว่า น, นี้จะเป็นลักษณะที่ว่าเทียบเคียงกันไงไปทางด้านข้างเหมื่อสักครู่นั้นเรากระโดดลงไปในเรื่องราวของทัศนสมคเครบดีเจาะลึกลงไปว่ามันมีอะไรบ้างทั้งหมด11ข้อต่อไปเราก็กระโดดไปทางข้างๆว่าเนื้อหาที่คล้ายๆกัน ในชายสูตรอังคุตระนิการเขาก็มีเหมือนกันนะนี่เรามาทางด้านข้างแล้วม า, มาทางด้านข้างแล้วเจาะลงไปในรายละเอียดว่าในอังคุตระนิกายชายสูตรเนี่ยท่านว่าไว้ในรายละเอียดว่ายังไงมีแตกต่างกันที่น่าสนใจตรงนี้ทุกฝังแล้วบอกว่าความซิ่งอาสวะมีได้เพราะอาศัยฌานหนึ่งคือพรมฌาน ความที่อาสวัมีได้พระอาศัยทุติยฌานตดัดยฌานจุดระฌานความสิ้นอาสวัมีได้พระอาศัยอาการสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัยยนนญญาตนะนิวาสัญญาณาสัญญาญตนะแล้วก็สัญญาเวทา ย, ยตานิโรธนี่เปิดหัวมาแต่และข้อแล้ะข้อเนี่เหมือนกันตรงนี้จุดมุ่งหมายที่จบลงไป ก็อย่าง น, น้อยก็ต้องเป็นอนาคามีหรืออย่างสูงสุดก็ต้องเป็นพระอรันก็เหมือนกันตรงนี้ด้วยแต่ว่าไส่ในมันแตกต่างกันนิดหนึ่ง น, นะบ่าวฟางโดยก็เริ่มต้นรายละเอียดของชานแต่ละข้อเปานธรรมชาติเป็นยังไงเอาก็สงัดจากกาบสงัดจากอากุศลและทั้งหลายมีวิตกิจฌานมีปีติสุขวาไปนี่คือส่วนที่เป็นสมาธิก็ไล่ไปในเอารูปชานก่อนแล้วกันนะ จะหนึ่งสสก็ว่าไปเสร็จแล้วตรงส่วนที่เป็นวิปัสสนาตรงนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จดุตฌานสีข้อเนี้ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่กำลังทำหน้าที่กันอยู่เธอเห็นทำเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นหัวฝีเป็นโรคเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังของผู้อื่นให้ยืมมาเป็นวองแตกสลายเป็นของว่างเป็นควองไม่ใช่ต้นในขันห้านั้นเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงสี่แปดแบบนี้แล้วก็น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่าโอ้ยในนิพพานนี่นะ มาตาท่าในกืนิาพานนี่นะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะไม่มีรูปหมายถึงขันธ์ห้าที่จะทำให้เกิดความไม่เที่ยงหมายถึงอ น, นิจจารักษณะสิบัาญอืิไม่มีน้อมจิตไปสู่จุดนั้นพอน้อมจิตไปแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าจะทำให้ถึงการบรรลุธรรมได้เรื่องของอ น, นิจจารักษณะสิปรญญาต ก็พระเจ้าเนี่เคยนำมาพูดอยู่แล้วในช่วงของจิตาวิเวกก็อยู่เป็นประจำอาจจะสองสมเดือนครั้งหนึ่งหรือเดือนละครั้งหนึ่งตี่จะนำเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตามาแจกแจงไปในรูปแบบต่างๆรูปแบบสิเอ็ดอย่างที่ว่าเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของยิ้มเข้ามาเป็นยังไงอันนี้เคย อ, อธิบายไปแล้วแมาฟังสามารถปฏิบัติมาฟังกันได้ เรื่องของขันห้าก็ได้เคยพูดไปบ้างแล้วทีนี้เอาสองอย่างมารวมกันว่าอ๋อไม่เที่ยงอยู่ในขันห้านี้นั่นเองคุณจะเห็นได้ได้ไงนะก็ตรงนี้เป็นวิปัสสนาไงก็จะได้ด้วยการที่ว่าทำสมาธิเกิดขึ้นฝึกนี้เป็นประจำเหมือนกับนายกำลังตนูทำอยู่เรื่อยอันนี้คือเปรียบเทียบด้วยนะ เปรียบเทียบอุปมาเนี่โดยพระพุทธเจ้าด้วยนะไม่เหมือนเมื่อสักครู่นี้ในอัธกัปนารสูตรที่เปรียบเทียบนั้นคือโดยทัศมคมระบดีท่านยกขึ้นเปรียบเทียบในอังคุตระนิกายนี้พระพุทธเจ้ายกขึ้นเปรียบเทียบเองเลยเหมือนนายกำลังธนูต่อไปอีกขโมฟังประวันในหมวดเก้านี้นอกจากรูปประชาแล้วยังมีอารูปปัจฉาด้วย แต่ใ น, นอารูปปัชฌานิท่านแบ่งไว้เป็น2 ส, ส่วนอีกโดยเอาสมข้อแรกคืออากาสรนันจยยตนะวิญญาณนันจยยตนะแล้วก็อากินจัญญายตนะนี่แบ่งไว้หมวดหนึ่งเหมือนที่ท่านพระราชน์น์แบ่งเลยนะเอาสมข้อ น, นี้มาเอามาแล้วพูดยังไงโอก็นี่ไงทําสมาธิให้ได้กล่าวล่วงรูปสัญญาก็เข้าสู่อารูปสามขั้นนี้ในสมขั้นเนี้ย ท่าบอกว่ามีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเห็นรูปเอาไว้เพราะว่าก้าวล่วงรูปสัญญาไปแล้วเราก็บอกเหมือนกันเลยว่าในธรรมสี่อย่างเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะมีความเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลําบากคือเห็นขันสีเนี่ยด้วยอันนี้จะลักษณะสิอย่าง เหมือนในรูปพระชันแต่รูปพระชันนั้นมีรูปด้วยก็จึงเห็นขันห้าในอารูปสามขั้นนี้ไม่มีรูปก็จึงเห็นแค่ขันสี่เหมือนกันวนิจารณนาแบบเดียวกันยโุปมาด้วยนายขลังธนูฝึกเล็งฝึกยิงเหมือนกันบรรลุทำได้ในขั้นอนาคามีหรืออาหารหันเหมือนกันด้วยอันนี้ก็คิดว่าค่อนข้างจะสมัยสมผลถูกไหม ในที่นี้ท่านยังกล่าวไวในพระสูตรด้วยว่าสัญญาสมาบัตมีประมาณเท่าไหร่เนี่ยทางที่จะให้เข้าถึงนิพพานก็มีประมาณเท่านั้นสมาธิมีมากเท่าไหร่การแทงตลอดซึ่งอรัตผลก็มีมากเท่านั้นอะไรก็ตามที่จะทำจิตให้เราสงบได้ไม่ว่าจะปรารบในที่นี้ท่านพูดถึงรูปฌานสี่รูปอีกสาม ก่อนหน้านั้นท่านพระนนยังยกเรื่องของอปมัญญาสีด้วยเอาหรือจะจะมีเรื่องราวอื่นๆที่จะไม่ให้จิตคุณมีความสงบเช่นบางคนอาจจะนึกถึงทานอ่ะจะาระคารู้สติเมื่อจิตมันจะสงบได้นั่นก็สามารถบรรลุนิพพานได้เหมือนกันทีนี้ต่อไปอท่านฟังต่อไปอากเอาไมถึงแยกส่วนของอโรคสามขั้นเอาไว้แล้วรูปอีกสองขั้นที่เหลืออยู่ไหนท่านเอามาแยกต่างหากท่าฟัง โดยยกกล่าวสช่นนั้นหนึ่งว่าส่วนเนวะสัญญาณสัญญายตนะและสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยสองอย่างเนี้ต่างอาศัยกันผู้ที่ชำนาญในฌานอาศัยสองอย่างนี้เข้าออกเข้าออกในึสองอย่างนี้นะคือเนวะสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตะนิโรธเนี่ยคุณจะเห็นทาง สามารถที่จะรู้ชัดได้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงข้อนี้หมายความว่าไงทุกฝัง่งคือเนวะสัญญาณาสัญญายัตนะคือเอมันจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่คือความหมายคำนี้เลยเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือแม้แต่สัญญาเวทายตานิโรธคือสัญญาและเวทนานี่มันดับไปสิ้นเลย เพราะฉะนั้นในขันที่ว่าขันสี่เนี่ยจาก5ใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหลือแค่สี่ลับในขั้นรูปจะในขั้นรูปที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เนี่ยสัญญาหายไปเวทนาหายไปด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยนี่มันจะหายหรือมันไม่หายกันแน่นี่เนวสัญญาในสัญญาในตรนะคือเหมือนไม่มีแล้วเหลือแต่คราบ แล้วจกนกระทั่งหมดไปจริงๆเลยเนี่ยคือสัญญาเวทายตานิโรดนี่เพราะฉะนั้นในความที่ว่าสัญญามันไม่มีหรือว่าไม่มีก็ไม่ได้หรอกไม่มีก็ยังยังมีคราบอยู่เนี่ยจะมาเข้าใจถึงความที่ว่าเออนี้ไม่เที่ยงนะมีความหมายรู้โดยความเป็นอนัตตาเพราะว่าอนัตตาอนิจจังพวกนี้เป็นสัญญาเป็นสัญญาเหมือนกันอนะแต่ว่าพอในวัฏสัญญาณนาะสัญญาญตนะความหมายรู้คือสัญญาในกรนี้ มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วทำไงจุดนี้แหละท่านจึงบอกว่าสองอย่างนี้ต้องอาศัยกันนะต้องอาศัยกันต้องอาศัยกันคือความที่ว่าคุณมีสัญญาคือถ้ามีสัญญายังไงคุณก็เห็นโดยอ น, นิจจาลักษณะสิบแอย่างนั้นได้แต่พอไม่มีสัญญามันจะแบบว่ามายืนในมุมบุคคลที่สามแล้วเห็นอะไรอย่างเงี้มันไม่ใช่ละคือความเป็นตัวตนมันมันใกล้จะหายไปแล้วด้วยเนี่ยต้องอาศัยความที่ว่าสองฌานเนี่ย คือเนวสัญญาณาสัญญาจตนะคุณอยู่ที่นี่คุณเข้าไปที่สัญญาเวทายิตะยุโรธเมื่อรู้จะไปต่อไงคุณกลับมาที่เนวสัญญาณาสัญญาจตนะนี่มันจะเลื่อนขึ้นมันก็ไปได้อยู่นะก็ไปสัญญาเวทายิตะยุโรธแล้วก็กลับมาเนวสัญญาณาสัญญาจตนะเนีย่ยชายีภิกษุท่านว่าคือภิกษุผู้ฉลาดในฌานเข้าออกเข้าออกนี่โอ้ย มันจะไปเหลืออะไรมันไม่เหลือแล้วจะว่าไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรหรือถ้าจะเหลือมันจะเหลืออะไรไหมโนเลยธรรมว่งความเข้าใจข้อนี้ท่านก็จะมีว่าโอ้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็มีมาสิ่งใดมีมาสิ่งนั้นก็ดับไปเกิดวความเข้าใจลึกสิ่งใดเกิอความเข้าใจลึกซึ่งแล้วก็บรรลุนิพพานได้เหมือนกัน ประเด็นคือมันไม่ได้เห็นในลักษณะที่ว่าต้องอาศัยสัญญาเป็นอนิจจาลักษณะสิเบตประการคือเป็นวิปัสนาในรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้ว่าจะอธิบายเป็นสัญญาได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอยิยตนะแบบหนึ่งเรียกว่านิวาสสัญญาในะสัญญายตนะแล้วก็ในข้อนี้ทำฝั่งในบทพิยัญชนะที่แตกต่างกันดีเนื้อตามในชัยสูตรอังกุตราณิกาย เปรียบเทียบกับนายกมังธนูเนี่ยแยกส่วนอธิบายสองข้อนี้เอาไว้จึงทำให้ประชาชนคิดว่าโอ้นี่ล่ะจึงเป็นเหตุที่ให้ท่านพระนนทไม่ได้อธิบายให้ทสมากฤติปีฟังไม่ได้ยกเรื่องของนิวสัญญาณนะสัญญาตนะและก็สัญญาเวทายตานิโรธทำให้เป็นประตูไปอีก13บาทเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสองข้อนี้เพราะว่า ลักษณะการเห็นการพิจารณานะั้นมันจะแตกต่างกันคือในส่วนสิบเอข้อเนี่ยคุณอยู่ที่ประตูคุณพิจารณาคุณเห็นชัดเจนได้แต่ในฌานสองอันหลังคือแนววัฏสัญญาณสัญญาจตนะและสัญญาวิทายต่นิโรธเนี่ยประตูนี่มันก็ไม่เห็นแล้วมันต้องอาศัยกันละกันมันจึงเป็นไปอีกลักษณะหนึ่งอันนี้ก็ว่าเป็นข้อสังเกตที่กบฏชาตั้งไว้ว่าทําไม ธรรมารณ์นถึงไม่ได้กล่าวถึง2ข้อนี้ให้มันเป็น13ข้อไปอย่างไรก็ตามทูกฝั่งในการทําความเข้าใจของเราเนี่ยเขต้องอาศัยการปฏิบัติสมาธิกันต่างๆเราก็ฝึกทําให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่าจะเราไม่เกิดความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนได้อันนี้เนื้อหาที่ครับพี่เจ้ายกมานีคออาา่คือเอาตามคือเอาตามเรื่องราวที่มาในพระสูตรทุกฟังอาจจะไปลองงานทบทวนดู2ข้อนี้เปเรียบเทียบกัน ถ้าไม่เข้าใจเริ่มจากจุดตรงที่เราเข้าใจก่อนประตูเนี่ยเราเข้าเราออกทุกวันทำไมเราจะไม่เข้าใจยังเคยเปรียบเทียบไว้ด้วยซ้ำว่าเวลาที่มีอาหิวาแต่ก็โรคระบาดขึ้นเนี่คนคบพังฝาเรือนหนีออกไปได้ออกทางประตูไม่ได้นะก็จึงต้องมีประตูเฉพาะที่ทาขึ้นที่ว่าประตูทั่วๆวไปเพราะว่า เชื้อโรคหรือว่าอะไรมันจะไปอยู่ตรงนั้นจับตรงมือประตูเนี่ยแล้วมาจับตา จ, บจับจมูกเชื้อโรคมันก็เข้าไปโควิดหรือไม่ก็โรคอววานมันก็ติดผ่านกันท้งนั้นเขาพิจิตนุออกประตูพิเศษสร้างประตูขึ้นมาใหม่พังฝาเรือนออกไปเราจะออกไปสู่นิพพานก็ต้องด้วยประตูที่เราสร้างขึ้นคือสมาธิคือวิปัสสนา มีสมรรถวิปัสนาเป็นประตูที่เราสร้างไปสู่นิพพานจะสามารถที่จะทำการปฏิบัติของเราให้มีที่สุดจบได้แล้วการพัฒนาการปฏิบัติธรรมฟังก็เริ่มจากสิ่งที่เราเข้าใจได้คุณเข้าใจ เ, าเรื่องประตูได้ใช่ไหมคุณเข้าใจ เ, าเรื่องการฝึกซ้อมยิงธนูเล็งธนูกับรูปหุ่นคนหรือรูปหุ่นฟางเออนั่นมันก็ เป็นการฝึกการกระทาเริ่มจากจุดตรงนั้นที่เรามีอยู่ทำได้พัฒนาให้เจริญมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่เกิดความเข้าใจในตมาวินัยนี้เพิ่มเติมขึ้นได้แน่นอนช่วงไดอารวมโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านบุฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี 5-6 ถึงหกโมงเชา้าท้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ข้าพเจาพระมาหาภับบุญอาพีุ่ญโหนพบกันไหมในวันพรุ่งนี้จุลปัน